สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะปอนย่าคอบเซนค่ะกับปอนพอดแคสต์นะคะปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่เราจะได้เห็นคำว่า equality หรือว่าความเท่าเทียมมากขึ้นนอกจากนั้นเราก็จะได้เห็นการเรียกร้องในทุกๆเรื่องในรูปแบบที่แบบชัดเจนเห็นง่ายมากขึ้นนะคะเริ่มต้นกันที่แคมเปญของดาราฮอลลีวูดในการประกาศรางวัลอสการ์ Oscar, ที่ผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยนัดแต่งดากันหมดเลยนะคะก็เพื่อจะแสดงจุดยืน ในการต่อต้านการลุกเกินทางเพศในวงการฮอลลีวูดนั่นเองถือว่าเป็นการเซตโทนของปีเลยก็ว่าได้ทีนี้เนี่ยเราจะมาเปิดปอนพอดแคสต์ซีซั่นสกันกับอีก1บุคคลที่ปอนชื่นชมมากเลยนั่นก็คือคุณเดฟรีแมนซึ่งในบทสนทนาขออนุ ญ, ญาตเรียวกว่าเจเดนะคะเพราะว่าเรียกมาตั้งแต่15ปีที่แล้วอะคะ่ะคือความประทับใจของปอนเกี่ยวกับเจเดเนี่ยคือขอเท้าความไปถึงตอนที่ยังแสดงอยู่ที่ฟรีแมนตอนนั้นเนี่ย โชของเจดีเนี่ยปอนขอเรียกว่าสนุกแบบไร้เทียมทานยังไม่เห็นใครทําโชสนุกเท่าเจดีเลยนะในตอนนั้นหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็เห็นชีวิตของเธอเนี่ยดูเรียบง่ายดูไม่ฟูฟ้งฟาไม่แบบฟุ่มเฟือยฟุ้งฟริง้งแต่ทาไมดูเป็นคนมีความสุขจังเลยอะปอนเคยฟังสัมภาษณ์ของเจดีนะคะเจดีบอกว่าเธอเนี่ยรู้สึกสบายกับร่างนี้แล้วก็ไม่ต้องคิดว่าต้องไปเติมไปตัดอะไร แล้วก็ไม่เคยเห็นเจเดเรียกร้องอะไรด้วยสําหรับเรานี่คือคนที่เราอยากรู้จักให้มากขึ้นดังนั้นไปคุยกับเธอกันค่ะเริ่มต้นค่ะเจเดย์ค่ะบันถามเลยได้ไหมยิงเลยเอาเลยถ่ะว่าในความคิดเจเดเนี่ย drag ก, กับ น, นางโชต่างกันยังไง d ร a g นี่ก็คือความสามารถในพิเศษที่ as one ขึ้นมาจากการเป็นนางโชนะเดี๋ยวว่านางโชก็คือเหมือนเราเห็นทั่วไปอย่างเช่นที่เขาโชวเป็นกิจจาลักษณะ จิฟนีอาคาซาซึ่งเราจะเห็นว่ามันมีแพทเทิร์นมันมีบล็อกของมันมันมีรูปแบบในการนําเสนอของมันแต่แดกนี่มันเหมือนกับคนที่ออกมาเป็นตัวตนอีกตัวตนหนึ่งที่ไม่อยู่ในกรอบของการแสดงใดๆทั้งสิ้นเลยเ อ, อ, อย่างนั้นนะครหรือว่าไม่ได้อยู่ในกรอบของความสวยด้วยนะเจ๊เดว่าจะให้เด็ฟพูดตรงๆขึ้นในเมื่อบางคนนี่มันสวยไม่ได้ออมันก็ต้องหาจุดขายให้ตัวเอง อ, อย่างเดเนี่ยเดยบอกตรงๆเลยว่าตอนที่เดเข้าไปเป็นนางโชว์ใหม่ๆเนี่ยเราไม่ใช่คนสวยเหมือนตลาดตลาดหนึ่งอ่ะเขมีข้ามันไก่ ข้าวขาหมูไว้เติ๋ยวเฮ้ยเราไม่ได้มีคุณภาพขนาดที่พอจะไปแข่งกับเขาได้แต่ถ้าเราอยากจะอยู่ในตลาดนั้นด้วยขา ย, ขายก็ได้เราขายหนุมหวานก็ได้นี่เอ อ, เ, อ, อเราขายถ้ขาขนมหวานเพราะคนก็ต้องกินนะแล้วบางทีขายผลไม้ก็ได้ขายอะไรก็ได้ที่เป็นของกินเหมือนกันแต่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นอาหารนะ่ะ อย่างที่เขาเป็นไงเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้เราอยู่ได้แต่ก็เหมือนประเภทแบบเนมเมอร์ฉันจะแต่งให้มันสวยหวานละมุนนะ่ะ ม, มันไม่ได้ฉันก็ต้องมีจุดขายว่าที่คนอื่นก็ทำอย่างฉันไม่ได้เช่นกันก็จริงเนาะเพราะว่าถ้าเรามองอย้อนกลับไปไม่ว่าจะเป็นรูพอร์เนยะ์ก็ไ เอาจริงๆคนที่หน้าตาดีจริงๆก็ไม่ค่อยมีอยู่ในแร็คนะเจ๊สมมติที่เขาเป็นผู้ชายที่สภาพผู้ชายแล้วดูดีออกดูหน้าตาดีแต่เวลาแต่งผู้หญิงอะด้วยโครงของแร็คอย่าลืมสิว่ามันมาจากฝรั่งโครงของฝรั่งเนี่ยด้วยล่างใหญ่ความเป็นละมุนผิวหยาบมีหนวดคราวเยอะโครงร่างมันจะดูแข็งจะดูแน่นกรอบหน้าชัดเจนหัวกะโหลกเป๊ะมันจะให้มันสวยอะมันไม่ได้ไงไม่ได้ก็ไม่ได้ถูกต้องเป็นมุมมองจาก คนที่อยู่เบื้องหลังเมคอัพจริงๆอะถ้าผิวหยาบรูขุมขนใหญ่หน้าก็จแต่งหน้าใสเป็นเกาหลีอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เอร์หลังไม่ผ่านไงแต่เขามีชั้นเชิงในการทําคือทําให้เป็นแสงเงามันเป็นเลยกลายเป็นอีกมิติหนึ่งในการสร้างศิลปะเดบ่ามันเป็นศิลปะในการแต่งหน้าเหมือนกับเดโชวตลกเหมือนกันเดบับก็จะเดได้เกลียดถึงที่ว่าเดบัมาโชเป็นคอมเมดี้มาโชเป็นคอมเมดี้แล้วมันไม่มีกรอบมันก็เลยแบบว่า เฮ้ยฉันจะทำอะไรก็ได้บางทีดูแบบการ์ตูนเราเรูยศึกษาจากการ์ตูนว่าอารมณ์ของสีหน้าของการ์ตูนนะตัวโกมหน้าเขาจะเขียนคิ้วแบบนี้นะออออตัวเซ็กซี่มันจะปากแบบนี้นะเจ้ามันจะเป็นลักษณะหน้ามันจะอารมณ์ไหนนะาการให้สีกับการเขียนโครงหน้าขึ้นมาใหม่นั่นคือเราเมคหน้ามาเป็นแบบการ์ตูนสังเกตดูเราก็ที่เราดูเข้าไปมันเป็นงานศิลปะเหมือนกับงาน ให้แสงและเงาบนใบหน้าตัวเองทั้งนั้นเลยอ ะ, ะเพื่ออยากจะให้คนมองในมุมไหนเราดึงตรงไหนที่มันเด่นออกมาแล้วลบด้อยตรงไหนที่มันให้มันหายออกไป นี่คือในฐา น, นะคนที่เคยดูเจเดฟรีแมนนี่เพิ่งมารู้ว่าคือก่อนที่จะไปเป็นเจเดเนี่ยเจเดต้องไปศึกษาไปดูการ์ตูนไปทําการบ้านไปต่างๆ ท, ทุกอย่างเพราะว่าสมัยก่อนที่ทํางานโชว์อยู่เนี่ยเดจะสิ้นเปลือนกับการเสพสื่อเกือบทุกชนิดนิตยสารละครภา พ, พยนตร์การแสดงต่างๆขุนกระบอกละครใบ้ อ, อ, อะไร ของต่างประเทศอะไรเนี่ยเราจะดูพยายามดูศึกษาให้หมดว่าในการสื่อการแสดงมันคืออะไรสิ่งที่เขาจะนําเสนอมันคืออะไรทําไมหุ่นกระบอกมันไม่มีชีวิตทําไมเราดูแล้วเราสนุกไปกับมันอะไรอย่างเงี้ยเราจะทันยังไงให้เราะเสื่อไปแล้วคือคนดูอย่างปอนก็รู้ว่าที่พีโรมหรือฟีแมนเนี่ยยิ่งช็อปลอมนะลูกค้าจะเป็นต่างชาติสักหกสเเพราะฉะนั้นถึงเราเล่นเพลงไทยเนี่ยต่างชาติต้องเข้าใจว่าเราสื่ออะไร นั่นนันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวศิลปิน ล, ละนต่างชาติรู้จักศิลปินไทยต่างชาติรู้จักเนื้อเพลงไทยแต่เราแ a c t ิ n g อะไรให้มันเข้ากับเพลงนั้นและสื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเรากําลังแสดงอะไรอยู่นี่หมายถึงว่าจะได้ไปดูหุ่นกระบอกซึ่งหุ่นกระบอกก็พูดไม่ได้ตตแต่ว่าทํายังไงเราถึงเข้าใจก่าหุ่นกระบอกใช่ด้วยท่าทางด้วยการสบะบัดการชัก กระตุกแบบสบัดแล้วหน้าเนื้ออะไรอย่างเงี้ยทั้งที่หน้าไม่ได้แสดงอารมณ์แต่ทําไมเราก็ยังรู้เรื่องอะ่ะด้วยมันมีเสียงสื่อกับกับท่าทางที่มันองค์ประกอบเพราะฉะนั้นเฮ้ยคุณกระบอกเขายังทําได้ทําไมหน้าเราสามารถที่จะสื่อแ acting ได้เราก็ต้องทำได้สิอะไรอย่างเงี้ยเราก็<ด>ต้อง<ะ>คิดอะ่ะจะมาเป็นโชว์คือปอนไหนคิดว่าเออจะได้คงเป็นคนมีพรสวรรค์แล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ทําอะไรก็จะลอกเองดีเองไม่เราต้องมีครูค่ะแต่ก่อนก็คือครูพักรักจำแล้วดูรุ่นพี่เขาเล่นอะไรยังไงบางทีเราก็ต้องเป็นตัวของตัวเเอออองงหมืนย่่าทีบก ตลาดรุ่นพี่เขาเก่งอยู่แล้วแล้วเข เ, เป็นเขาเป็น number o เกี่ยวกับตรงนี้โอมีพี่คนหนึ่งอ่ะชื่อพี่พงศ์ขอเขาเหมือนครู เ, รเลยอ่ะเขาเล่นตลกก่อนที่โลงที่เราชอบเราว่าเฮ้ยเขาเป็นเหมือนแบบคุณลอตเตอรคุณชูศรี เ, เหมือนกับใครที่แบบว่าเดินมาแล้วคนพร้อมที่จะหัวเราะทั้งทั้งที่เขายังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะออคือเขาพร้อมอ่ะออแล้วหน้าบางทีหน้าเขาลงรอง เ, อเฉยๆมันก็ทําให้เรามีความสุขแล้วก็หัวเราะไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้อง acting อะไรแค่ลองพื้น ลองพื้นไม่มีคิ้ว <c oughs> ไม่มีอะไรเลย <c oughs> เดินมาเขาก็ตลกแล้วว่าคือมันอินมันพุ่งออกมาจากข้างใน <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็ดูเออร์เราก็เราทำอย่างเขาไม่ได้อะเราจะทํำยังไง <c oughs> เราจะสื่อยังไงเราจะขายอะไรของเรา <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆว่าอันไหนคือตัวตนของเราในตัวตนของเดทของคนที่คนรู้จักแล้วคนที่ยังจับไม่ได้ว่าเอ๊ะทาไมชอบมาดูเพราะว่าเดทจะสื่อในในในสิ่งที่จริงๆแล้วมันคือคนรู้จักกันทั่วไปแต่ไม่สามารถที่จะพูดออกมา ได้แล้วเราเอาตรงนั้นมาแสดงให้คนดูปุ๊บคนมันเลยเก็ตพอเก็ตปุ๊บมันเหมือนแบบปลดล็อกอะแล้วคนก็เลยก็เลยชอบในเทคนิคของเราอย่างเช่นในการหาเพลงมาพูดง่ายๆในการหาเพลงง่ายๆบางทีเดเล่นเนี่ยมันเหมือนกับมีครูที่ที่เขาเป็นเจ้าของร้านอะคือโรงทับเนี่ยเขาสอนไว้เลยแค่แหกลิ้นปิ้นตาทําหน้าลิงหน้าข้างเนี่ยใครก็ทําได้ไปโชว์ให้ใครดูก็ไปแต่ที่นี่อย่าลืมว่าแขกเนี่ยเขาเสียเงินมาดู ต้องให้เกียรติคนดู อ, อย่าไปดูถูกความคิดของคนดูอย่าลืมว่าคนดูเนี่ยบางคนเป็นครีเอทีฟบางคนเป็นนักแสดงแล้วเขาจะมาดูแบบเสียเวลามาดูอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องทํำไมเพราะฉะนั้นต้องคิดหนะักคิดว่าเราจะทําอะไรเพื่ออะไรด้วยนั่นคือสิ่งที่เขาสอนอแล้วเราก็คิดมาเองเราก็เอ๊ะเราจะทํำยังไงมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าครีเอทออกมาว่าบางทีเราเอาเรื่องการบ้านเรื่องการเมืองเรื่อง รับๆตัวนี้แหละเอามาทำให้คนเห็นในมุมมองของไปขยายความคิดของเขาอย่างเช่นเพลงมันจะมีเพลงไทยตกให้ตายเป็นภาษาใตา้เราก็เราก็เอาออกมาสื่อว่าแสดงถึงความรุนแรงที่ในครอบครัวที่ผู้ชายมีสามีมีต่อภรรยาตกให้ตายตกให้ตายแค่ผู้หญิงเนี่ยยังไม่ได้หุงข้าวยังไม่ได้ซักผ้าวันๆเราแต่แต่งตัวสวยผู้ชายก็เลยตกมันเลยตกให้ตายแล้วมันเป็นจังหวดตะลุงอะ่ะ ซึ่งเด็กก็จะสื่อโดนตกแต่ไม่ให้มันดูแบบโอ้ยเรียวลิสติกจนแบบว่าดูแล้วแบบว่าน่ากลัวไปเออตกแต่ตกเป็นจังหวะตกตันลงตะตึงตึตะตึงตึงตะตึงตะตึงตะตึงตึงอย่างเงี้ยซึ่งเด็กก็จะรับกีเอเป็นแบบจังหวะอย่างเงี้ซึ่งเออมันก็ตลกแล้วเราก็มีเทคนิคว่าพอโดนตกทีหนึ่งอ่าอีกท่อนหนึ่งโดนเตะอีกแล้วก็แล้วก็ทำเป็นแบบเอาเลือดปอมหันหลังแล้วเอาเลือดปอมหันมาโอ๊ยตายแล้วเลือดกบปากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งจริงๆคนดูมันก็สาดิสเนาะพอเห็นแล้ว มันกับขำแต่ในใจมันก็คิดว่าทุกคนไม่คิดเหรออ้าวแล้วทำไมปล่อยเขาตกว้อแล้วเราไม่คิดในความเป็นจริงอ่ะทำไมเนี่ยบ้านหลังเนี้ยทะเลาะกันทุกวันเลยอ่ะทำไมเขาอยู่ด้วยกันได้อเราคิดถึงตรงนั้นไงอก็ถ้าเป็นเราถ้าเกิตกอย่างงี้แล้วก็หนีแล้วอแต่ทำไมบ้านนี้เขาบอกยิ่งตีกันลูกยิ่งโดกเออเราก็มานั่งคิดถูกไหมเคยได้ยินไหมนี่เราเอามุมมองตรงนี้มาเล่นพอมาเล่นปุ๊บ ถ้าเราจบอยู่แค่นั้นมันก็ไม่มีอะไรมันก็เร้อเอเ อ, เ อ, เอแต่ไม่เดก็จะตัดเต๋าเทคนิคของเดคือการคอนทัสกันทุกอย่างตบให้ตายเนี่ยมันเป็นภาษาภาษาถิ่นทางใต้เป็นเพลงไทยเสร็จแล้วอีคนโดนตบซึ่งเดย์ยังไม่ได้เล่นอะไรเลย ค, คนตั ว, ต, วตัวแสดงผู้ชายเนี่ย acting ผู้ชายเนี่ยคือร้องแล้วตบให้ตายตบให้ตา ย, ตตายด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็แล้วแต่เราก็โดนตบพอโดนตบเสร็จจนเพลงจบมันไม่จบอผู้ชายกำลังจะเดินออกไปเราก็สะกิดผู้ชายดึงกลับมา แล้วก็ลองเพลงว่า Do that you do one more time คือฉันอยากโดนตกอีกอะผู้ชายแบบงงแล้วก็ตกเราต่อแล้วก็พอเขาจะไปอีกแล้วก็ One sake อย่างเนี้ยนกออกมาคนดูมันก็แบบยิ่งพีมันแบบคืออะไรเธอทำอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฝั่งก็เข้าใจถูกไหมทำไมฉันโดนตกแล้วทำไมเธอยังต้องการดกคือบทเพลงไทยน่ไม่รู้เรื่องหรอพูดอะไรแต่รู้ว่าโดนตกแต่พอพูดเป็นฝั่งว่าดู ดูมอช่ามอช่ามาเขาก็ต้องคิดแล้วทำไมโดนตกขนาดนี้ไม่หนีทุกวันต้องมีเคสชิ้นมาถูกไหมแต่ที่ไหนได้เราต้องมองกลับไปสถานการณ์จริงเออทําไมเขาไม่หนีเราไม่คิดหรอบางทีเราบอกว่าโอ้โหทําไมเหตุมีรุนแรงมีไอ้นู่นไอ้นี่เน่ะไม่คิดว่าผู้หญิงเป็นคนที่แบบสดิสเราต้องคิดถึงความเป็นจริงนะจริงหรือบางทีอาจจะแบบว่าสังเกตสิเวลาเก่งจีก็ตบชันสี่ตีชั้นเลยอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอตีเสร็จกะลากเขาห้องห้องอ <c oughs> นื้ออกไมนี่ไงนั่คือเออเลิกเลิอกอย่างหนึ่งที่เด็กคิดแล้วก็ม<อ>แล้วเราก็มาคิดเป็ีเทียบบางเพลงเนี่ยเหมือนก็แล้วแต่ยุคแล้วแต่สมัย<า>เอ๊ะทำไมผู้หญิงสมัยก่อนอะ่ะทุกเพลงมันมีในย่าของมันหมด หน้านี้หน้าหนาวสมัยคุณผองศรีค่ะ<า>นอนจริ ง, รงๆอะไรนอนหนาวบนที่นอนคนเดียวอุ่งห่มผ้าก็แล้วอะไรก็แล้วก็ไม่หายหนาวในยะเราต้องต้องรู้สิมันมาเสืออะไร อ, อมันมีความต้องการทางเพศถูกชะนีรันคุณขันขึ้นมาถูกต้องแล้วแบบออว่าเฮ้ยแต่มันมีชั้นเชิงในการที่จะบอกไม่ใช่โอ๊ยฉันต้องการอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คื อ, อแล้วสมัยก่อนน่ะแล้วมนะันถ้าเรามองละเอียดมุมหลือก็ไปหน้านี้หน้านานะ่ะคือผู้หญิงอะ่ะ ต้องการความอบอุ่นต้องการอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกแบบเป็นในในัยยะแล้วก็จะเอาผ้ามาหม่มคือจะปิดมิดชิดจะจะทำจะขนาดพูดเราไปแบบมันโปเป็นเรื่องโป่ะแต่ก็เอาในัยยะว่าฉันห่มผ้านะ<อ>ฉันปกป้องตัวเองแล้วฉันหนาวน ะ, ะแต่ถ้าเป็นสมัยนี้คริสติน่าคืนนี้มันร้อนอยู่คนเดียวกับที่นอนอที่นอนในัยยะเดียวกันไหมในนัยยะเดียวกันแต่ทําไมมันร้อนกับมันหนาวล่ะ คนลยุคคนสมัยถูกต้องผู้หญิงมันกล้าขึ้นไงค่ะอะฉันปรกาศฉันบอกแล้วฉันร้อนนะฉันร้อนสว่างมากเนี่ยฉันอยู่คนเดียวนะบนที่นอนแล้วมาเข้ามาแล้เออเห็นไหมมันต่างยุคต่อสมัยต่างการสื่อในยักมันก็ค่ะแตกต่างกันไปแล้วเราก็เอาสองยุคมารวมกันอ่าะพอหน้านี้หน้าหนาวสักพักดึงผ้าผมออกก็คืนนี้มันร้อนหน้านี้หน้าหนาวอีกแล้ว ตัดไปตัดมาสลุ่นฉนีก็ฉันหนาวฉันร้อนเหมือนดังเป็นใครป่วยร้อนจะมีป่วยนะ <laughs> เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวว่ะนึกออกไหมแล้วเราจเอออะไรอย่างเงี้ยป่วยแน่นอนใช่นี่ไง <c oughs> ก็คือสิ่งที่เด็กคิดแล้วแบบคนดูกบบอืมหรือบางเพลงเราะจะเล่นเรียนแบบที่ที่คนที่แบบว่าสมัยที่โรมเนี่ยเป็นที่เก่าขาไม้ที่สื้ก็คือสมัยก่อนมีสิควิดีโอมันไม่ค่อยมีเยอะอพอมันเปิดมันไปเขาจะประกาศเลยนะวันนี้จะมีมิวสิควิดีโอใหม่อัลบั้มใหม่ของ สมมติคุณแสงระวีอัศวรักษ์ออกมาเพลงแมงมุมแล้วก็เปิดดูตั้งแต่ตอนบ่ายหรือเพรสมัยก่อนแมงมุมแมงมุมแมงมุมเราแต่งตัวเล่นเหมือนทุกประการแต่อย่างที่บอกถ้าเป็นแร็ปมันจะต้องคูณไปกี่เท่าสิบยร้อยเป็นงมุมแสงระวีว่าเต้นแรงแล้วแต่แมงมุมของเดนเนี่ยคนดูก็อุ้ยดนตีขึ้นอุ๊ยเพลงแมงมุมเพลงใหม่วันนี้เลย แดนเซอร์แต่งตัวเหมือนเต้นเหมือนทุกประการอ้าวแล้วแสงระวีอยู่ไหนปากของแสงระวีปีนอยู่บนขื่อเป็นเป็นเมุกแล้วไต่ขื่อแล้วลูดเสาวมาแล้วมีหนักกว่านั้นก็คือแสงระวีชักใหญ่ได้และใหญ่ออกจากไหนก้นถูกต้องเราก็ดึงใหญ่ออกจากก้นสาวใหญ่ออกมกก้นถึงมากเล้วก็คือเล่นแบบนี้ก็คนเพราะฉะนั้นมันมันต้องมีอะไรที่แบบว่า เขาสอนไปจะต้องมีอะไรให้คนดูดูแล้วก็บางทีต้องกลับไปคิดอ่ะ oh. หรือหรือเราไม่จาเป็นต้องคนดูชี้แนวคนดูว่ามันต้องเป็นอย่างางี้นะบางทีเราเล่นออกไปอย่างหนึ่งคนดูสิบคนดูแลวตีความหมายไปสิบอย่างจริงค่ะจริงจริงบางทีบางคนมาบอกว่า โอ้เนี่ย เ, เล่นแล้วนึกถึงอย่างนี้เลยซึ่งเราไม่ได้นึกถึงเลยอะอะกลับทำให้เรานึกถึงเออมันก็ใช่นะหรืออีกคนนึ่งบอมันนึกถึเออมันก็ใช่นะคนดูก็สะท้อนความคิดใหม่ให้หใหเราได้ด้วยกันนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่สิ่งที่เราทําอันเนี้ยคือเป็นความอัจฉริยะมากคือไม่ว่าบอลจะคุยกับคนรุ่นที่ยังทันเจ๊เดทุกคนจะพูดเลยว่าการมิกซ์แมทช์การเอาโชว์มาผสมต่างๆของเจคืออัจฉริยะมากนั่นคือในส่วนของของการโชว์แต่ส่วนหนึ่งที่ปอนก็ประทับใจไม่หายคือ เวลาเล่นกับคนดูอะค่ะก็เหมือนกับเราคุยกันนี่แหละคนดูก็คือเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยอเหมือนกคนดูก็คือแบบพอเขาตั้งใจที่จะดูเราแล้วอะอย่างน้อยมันมีความเป็นมิตรความเป็นกันเองแล้วเราก็มีลิมิตเราก็ดูว่าคนในรุ่นนี้เราจะเล่นได้ประมาณไหนคนผู้ใหญ่กว่าเนี้เราจะเล่นในแนวไหนประมาณไหนเราก็ต้องดูก่อนแล้วคนไหนที่แตะได้เหมือนไม่ได้คิดเลยคือออกมาพวกแบบคือเร็วมากถ้าคิดมันไม่ไม่สนุกเออคือบางทีไอ้สิ่งที่ไม่ได้คิดนี่แหละมันสนุก บางทีเราบอกว่าเราไม่ได้พลาดพิงถึงอะไรน ะ, ะไปดูการแสดงอะไระสักอย่างหนึ่งที่แบบเขาบอกว่าตาลก อ, ะอ่ะเรานั่งเมาส์กันเราสนุกกว่าไหมอะ่ะถูกถูกบางทีเราเมาส์กันบางทีมันอะไรเกิดขึ้นมาเราไม่ได้ตั้งใจว่าวันนี้ฉันจะเม า, าเรื่องนี้นะเอ อ, เออวันนี้เราจะเม า, าเรื่องกับข้าวนะมันไม่ใช่บางทีกินกินอยู่ก็เรืองอะไรขึ้นมา แล้วก็พูดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับไอ้สิ่งที่จะพูดถึงเลยแล้วมันก็ไปโยงถึงเรื่องนู้นแล้วก็คํากันอะไรงเง<อ>ี้ยกว่าจะกลัดมาเป็นโชว์ชนหนึ่งเนี่ยมันต้องมีความคิดการทํากันบ้างหลายหลายอย่างมาหลายอย่างแมก้กระทั้งเพลงเนี่ยเราต้องอย่างที่เคยคุยไว้ว่าเราไม่ได้เป็นตัวศิลปินเอเอเประโยคนี้คือแบบเราเป็นเนื้อเพลงเพราะว่าตัวศิลปินเองมาดอนน่าเล่นคอนเสิร์ตกี่เพลงอะเพลงไรกับเวอร์จเพลงเดียวอะเธอเล่นกี่เวอร์ชันเธอเล่นกี่รูปแบบเธอแต่งตัวกี่ เพราะจะเราจะไปยึดว่ามาเด น, น่าจะต้องไหลกระเวิร์ที่ต้องใส่ชุดเจ้าสาวแล้วก็เต้นอย่างนี้หร อ, อมันไม่ใช่ค่ะอยู่ดีๆเธอก็เป็นวอลกหลุยเธอก็เป็นไอ้นู่นไนอ้นี่เป็นไอ้นู่นไอ้นั่นมาหลากหลายไปเพราะฉะนั้นบาเด น, นก็คือแรกตัวอย่างแร็กที่เราได้เห็นเรื่ง<ะ>องอะนะว่าเธอไม่ได้ยึดติดตัวเองว่าเธอจะต้องผมปลอนบางวันผมบ๊อกมา้าบางวันผมอีกยาวดําปีบางวันผมตรงเป๊ะอะไรอย่างนี้นั่นคือแร็กไหม ดีว่าก็คือดีว่าอจินตลาเนี่ยดีว่าไหมให้จินตลาใส่ผมหยีกับไม่ได้ก็ต้องบอสไตรอลาไทยอ่ะจะแต่งตัวเซ็กซี่ได้ไหมนั่นคือดีว่าอมันต้องแยกคือแบบแยกแบบเซกชันแบบชัดเจนง่ายๆไม่ใช่ว่าไม่ดีไม่เขาดีกว่าแดกด้วยนะเพราะว่าเขามีเอกลักษณ์ของตัวเขาเองแต่แดกเขาก็มีเอกลักษณ์ตรงที่ว่าเขาสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้อไม่งั้นกระเทยทุกคนก็ไม่ยกข้นมาเดินหน้าเป็นตัวแม่ถูกไหม แน่ตัวแม่เพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าคืออะไรแต่เรานี่แหละอ่า ะ, ะชอบเนี่ยแหละตัวแม่ทั้งที่เขาไม่ใช่แม่แต่เราก็ยกย่องเขาว่าเป็นแม่เพราะ<ก>วะา<บ>่าเขาคือตัวอย่างตัวอย่างที่ดีในการทํางานอ่ ะ, ะในการที่มียึดติด ต, ตัวเองอในเมื่อศิลปินเขาไม่ยึดติด ต, ตัวเองแล้วเราจะไปยึดติดศิลปินเพื่ออเราก็เลยยึดติดไอ้สิ่งที่ศิลปินนําเสนอขึ้นเนื้อเพลงความหมายในเพลงสมัยก่อนที่เด่นเริ่มคิดว่าตัวเองเป็นโชว์โดยที่ยังไม่ได้เป็นนางโชว์นะ คือตอนอายุประมาณสักเ้าขวบ่ะดินเจ้าเอ๋ยข้าเคยอยู่ใกล้ามาก่อนสมัยก่อนนักลองทุกคนจะต้องยืนตรงเป๊ะแล้วก็ดินเจ้าเอ๋ยข้าเคยอยู่ใกล้ามาก่อนดินอุ่นล้อแล้ยินก็เป็นเพื่อนฉันเวลาครูให้ไปลองหน้าห้องกระติ่ะแต่คุณเดย์ไม่ใช่ดินเจ้าเอ๋ยดินมันอยู่ตรงไหนละ่ะ<อ>ฉันก็คุกไปกับดินเลยอะข้าเคยอยู่ใกล้เก้ขวบเก้าขวบแล้วเพื่อนก็แบบกี๊กันทุกคนเพื่อนก็จะชอบดูการแสดงของเราเราไม่รู้ว่าอันนี้คือ การแสดงลิปซิงโชงในชั่วโมงขับร้องครูบอกใครออกมาร้องเพลงค น, คนก็ไม่ร้องไม่ร้องกันร้องมัง่งไปร้องมัง่งพอ เ, เปิดเพลงเราก็ไปทำท่าให้คนดูกัดกัเป็นสิ่งที่ทั้งครูทั้งเพื่อนนันเกเรียนชอบร้องลอยไปกับเนื้อของเพลงของมั่ง ดังนั้นต้องแคปเอาไว้เลยนะคะที่พี่เดบพูดว่าไม่ต้องยุติไม่ต้องพยายามจะเป็นนักร้องแต่ต้องพยายามเป็นนัอเพลงใช่เราต้องเข้าใจความหมายของเพลงให้ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าบางเพลงที่เราจะแ acting <S <S เป็นศิลปินคนนั้นมันก็จะเป็นอีกอีกอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเด็ก็ทํำอย่างเช่นมาลายแล้วก็จะดูละมาลายเราจะเรียกวิดนี่เราก็เป็นวิดนี่จุดเริ่มต้นการเป็นมาลายคืออะไรคะคือบังเอิญเป็นความบังเอิญเออเพลงพอเพลงมาลายเนี่ยมาลายมันจะร้องเพลงเหมือนคนคนร้องเพลงในโบทซึ่งจะมีเพลง เพงโหยหวนอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้ร้องมาลายสวยอยู่แล้วแต่บังเอิญว่าวันนั้นเราแต่งเป็นมาลายที่ดูสวยแล้วพังเอคุณบุ้เหมือนเหมือนมากแล้วแต่ที่เราเล่นเนี่ยเราเล่นอย่างเพลงวิทย์เอาอยู่อะมันจะไอแคลริบุสเสียงโหดไปปุ๊บเรานึกถึงเสียงอะไรพอเราฟังแล้วเราก็ตลกอะเรานึกถึงเสิงโโหของคุณชินกรงไกรลาสเราเอามาเชื่อมกันไงก็กลายเป็นมาลายที่แบบว่าเฮ้ยโหยโหยโหแล้วก็ให้แคกอะไรอย่างเงี้ย ใช่หรอปซึ่งมันคัดฟิวมาลายอ่ะแล้วก็โรยทีย่ห ย, ยิ้วแล้วก็ตังแดงตั้แดงตัแดงมาลายก็ลำวงกล่องยาไปแต่พาก็ไอแค่ลิปปเข้ามาเป็นมาลายต่ออะไรเงี้ยซึ่งคนก็แบบมันสับสวิตสับสวิตไปอย่างนี้แล้วคนก็เออก็ได้ซึ่งเราเล่นเราคิดไปแล้วก็เราต้องสนุกของเราด้วยไงอืมแล้วเราก็ถึงจะสื่อทุกอย่างเวลาเราทําอะไรออกไปให้คนดูเนี่ยเราต้องมีสิ่งนั้นก่อน เราจะมอบความสุขไว้เขาเราต้องรู้สึกเรามีความสุขก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้สึกสนุกไปกับไอ้ตุกสิ่งที่เราทําไอ้ที่ทําออกมามันก็ไม่สุขคนที่เคยดูงานเจเดยอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าเจเดจะเป็นแบบนี้แต่ในแววตาหรือว่าในคือเบื้องหลังของคนที่เป็นคนคิดและแสดงเองอ ะ, ค, ะคิดว่าจุดเด่นของเจเดคืออะไรเดย์ไม่อย่างที่บอกอะเดไม่ยึดติด ก, กับกับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเดย์ก็ยังไม่ไม่คิดว่าตัวเอง Okay. เรายังต้องต้องศึกษาและต้องยอมรับแล้วก็เสพไอสิ่งทั้งเก่าทั้งใหม่เห็นไหมทุกอย่างขอเดล่ะเดลเอาของเก่าคือเรายังเคารพคนเก่าไม่ใช่ว่าของเก่าล้าสมัยของเก่านี่คือคลาสสิกและไอของใหม่ๆที่จะมาเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ทันสมัยเราจะทํายังไงให้สองสิ่งเนี่ยมันรวมพลังกันบ้างเอาสิ่งที่ดีของแต่ละสิ่งทุกสิ่งอะ่ะมันไม่มีว่าดีไปหมดหรือว่าเลวไปหมดหรอกเลือกเอาสิ่งที่ดีเอามารวมกันสิ เพราะบางคนมันไม่ใช่มัคนค่อยอา จ, จไม่ใช่อันนี้คลาสสิกกว่าอันนี้ของเก่าต้องเก๋คณทันสมัยก็เรื่องอะไรระบบโบราณไดโนเสาร์ อ, อันนี้ต้องทันสมัยยุคนี้มันต้องอย่างนี้แล้วค่ะย้อนกลับมาตอนนี้เป็นกระแสะก็คือ drag อ ม, มีคนพูดว่า drag เนี่ยถ้าแต่งหญิงแล้วเป็น drag ไม่ได้จะได้มีความไม่เข้า<ต>ใจ อ, าอ่ะเออเหมือกับทานมมาแล้วนี่คือ แร็กไม่ได้แล้วนะเหมือนแบบว่าอ่าแล้วเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยมาเดน่าก็เป็นมีจริงด้วยนะเป็นแร็กได้ก็ได้ไงก็เลยถามความรู้สึกของเจว่าคือเราต้องข้ามพ้นใช่ไหมฮะนั่นเป็นการเราเราเราอย่าไปคีสสิใช่ที่เรายังอยากให้คนอื่นยอมรับเราอ่ะออืแล้วเรากั้นก่อทําไมอ่ะแล้วเราไม่รับคนอื่นเราใจแคบไปไหมอ่ะอย่างเดมบอกว่าเฮ้ยคาบัเล่ผู้หญิงก็เล่นได้นะค่ะซึ่งจริงๆอ่ะคารบัเล่โชว์ของเราก็มาจากหางเครื่องนะไม่อยากว่าแล้วหางเครื่องมาจากไหนมาหางเครื่องก็ไปดูจาก มูเลงรู้ไปดูมาจากลีดเดอร์อีกทีไหมคือมันก็คือประสมประสานใครก็สามารถที่จะทําอะไรก็ได้เพียงแต่อยาาปิดกั้นตัวเองแล้วเราอ่ะอยากจะเป็นนักแสดงที่แสดงบทบาทอะไรก็ได้มไม่ใช่บทบาทที่เป็นกระเทยที่เห็นผู้ชายแล้วกรี๊ดอย่างเดียวเหออ่าพูดแตเรื่อผู้ชายโอ๊ยแล้วก็เป็นบทบาทอะไรที่แบบว่าเป็นภาพลบอยู่ตลอดอลเป็นตัวร้ายเป็นตัวอิจฉาเป็นตัวที่ วางแผนเป็นตัวอะไรซึ่งจริงมันใช่ ม, มันมีแต่มันไม่ได้เลวร้ายอย่างนั้นนะอไอเรื่องดีก็<ๆ>ก็มีแต่เขาไม่กล้าแสดงออกเพราะากลัวจะภาพอย่างนี้ไงในสังคมจริงๆอืค่ะดังนั้นเราต้องออกนอกกรอบแล้วไม่ใช่ว่าคนจะเป็นแร็คได้จะต้องแบบแต่งแมนเท่านั้นขอล่าสุดบนผู้เห็นสรารคดีผู้หญิงออกมาเรียกร้องความเท่าเทียมจากกระเทยว่าผู้หญิงก็ควรเป็นแร็คได้ผู้หญิงคนนี้พูดเลยว่า ฉันอะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมแรกคเดี๋ยวจะไปแสดงแล้วก็เหมือนถูกแบบถูกคนที่เป็นแรกคแบบต่อต้านทาไมอ่ะทําไมในใน น, นที่เดดุดึกที่ยี่สปีที่แล้วมัง่งตั้งแต่ลูพอมาใหม่ๆเนีมันเป็นงานอะไรนะบูสตออ์สต็อกอะก็มีทอมมีเลสเบียนมีอะไรต่อป็นรมาเป็นแรกครวมกันอยู่เป็นเวทีเดียวกันก็ไม่มีตายเลยโ อ, อ้อะะถ้าคุณจะยึดแรกคแรกคคืออะไรคุณเอามาจากมุมนอกใช่ไหอเขาก็ทํามาก่อนแล้วอะ เกาก็มีมาก่อนอะคือแบบแค่เข้าใจว่าคําว่า drag เนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างที่รายการ drag race เป็นเหมือนลิปซิงค์โชว์อะเหมือนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นการแสดงนะไม่ใช่ตัวตนจริงๆอะเขาก็ใครก็สามารถทําได้แต่เขาจะทําถึงคุณหรือเปล่าเท่านั้นเองอ่าอีกถูกไหมหรืวัดกันที่งานอืวัดกันที่งานแต่ถ้าเกิดเขาทำเขาดีจริงเขาเขาาฉลาดที่จะเลือกเพลงให้เหมาะกับคาแรคเตอร์ของเขาจริงหรือว่าเขาสามารถที่จะทําได้เทียบเท่ากับคนจริง ก็ต้องยอมรับิอืมบางทีเราทําตัวเราเองอะ่ะ <c oughs> เราอยากเป็นแด็กแต่เราแบบห <c oughs> ลงทางก็มีนะเ <c oughs> น้อออ <c oughs> กไหมเดกคือคืออะไรเด็กคือความชัดเจนแต่ไม่ใช่เด็กคือแบบว่าปล่อยติชดาเลยไม่ใช่เออเนี่ยเราอย่าหลงทางสิค่ะ <c oughs> ตาแล้ววันนี้อิ่งเอ็มเป็นปรีมากเลยค่ะกับเรียกได้ว่านานโชว์ในดวงใจของดิฉันนะคะเจ๊ดีขอบคุณมากมากนะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ คุยกับเจเดย์แล้วเนี่ยนะคะทำให้ปอนยิ้มต่อได้อีก 4-5 หชั่วโมงเลยคือปนว่าสิ่งที่ทำให้เจเดย์ขออนุญาตด้เจเดย์อีกครั้งนะคะเลิค่าในสิ่งที่ทำแล้วก็เป็นก็คือคำว่าความจริงคืองานเจเดย์ก็สะท้อนความจริงคำพูดก็มาจากประสบการณ์จริงความรู้สึกที่บอกก็จริงคือไม่ได้รู้สึก เลยว่าจะเดพยายามจะบิดอะไรให้ต้องสวยงามแบบที่เห็นคนอื่นเขาทํากันจริงๆบางทีปอนก็เป็นบางทีก็ปอนก็พยายามบิดนู่นนี่ให้เราดูสวยงามไงแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอะความจริงนั่นแหละที่สวยที่สุดดังนั้นขอบคุณเจเดฟรีแมนมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสเราได้เข้าไปสัมภาษณ์แล้วก็ที่สําคัญขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามปอนพอดแคสต์ค่ะคุณสามารถจะติดตามปอนพอดแคสต์ได้นะคะเรามีสัมภาษณ์ใหม่เดือนละ2ครั้ง อย่างวันนี้เนี่ยเรารีลีสในรูปแบบเสียงไปในพอดแคสต์อาทิตย์หน้าค่ะเราจะรีลีสรูปแบบวิดีโอใน YouTube ช่องปอนยาคอบเซนนะคะดังนั้นค่ะถ้าอยากติดตามไม่ว่าจะรูปแบบไหนหรือผลงานอะไรนะคะเพียงติดตาม w w w o pon yakobsen com ค่ะ